ผู้ที่ปฏิบัติทางจิตจึงต้องทำจิตให้มันหยุดอยู่กับที่การทำจิตให้หยุดอยู่กับที่นั่นเบื้องต้นก็เรียกว่าให้รู้ว่ามันไปไหนก่อนคอยกำหนดรู้ไว้แล้วให้รู้ว่าจิตเรามันคิดได้ทีละเรื่องคิดสองเรื่องพร้อมกันไม่ได้ขณะจิตหนึ่งมันก็คิดได้เรื่องหนึ่งเมื่อเราไปกำหนดรู้การไปก็หยุดทนันที เช่นว่าคิดไปเรื่องโนดพอเรากำหนดรู้ปุ๊บอ่ะมันต้องหยุดทันทีเพราะมันคิดได้ทีละเรื่องมันแสดงได้ทีละเรื่องมันก็ไม่ไปเพราะงั้นคอยแต่กำหนดรู้ไว้จิตที่ไปไกลๆนั่นดินดอนกับกรอกนั้นก็จะหยุดไปหยุดก็เรียกว่าสงบเมื่อสงบแล้วเราหาเรื่องให้สงบอยู่ในสิ่งใดเรียกว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งนั้นอ่าสมมติว่าเราจเจริญอาณาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้าออกเอากําหนดลมเบื้องต้นก็ต้องรู้ว่าลมกับเรามันหายใจมีสภาพอย่างไรหายใจเข้าไปกระทบตรงไหนหายใจออกลมมากระทบตรงไหนอันนี้ต้องรู้ก่อนเรียกว่าจับลมให้ได้จับลมให้ได้ลมหายใจเข้าออกนี่มีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรายังมีชีวิตก็มีลมเข้าลมออกอยู่ แต่เราไม่เคยกำหนดว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรสภาพการหายใจเป็นอย่างไรเราไม่เคยกำหนดรู้ผู้ที่จะมาฝึกสมถภาวนาคือการกดกําหนดลมหายใจก็ต้องรู้ว่าหายใจเข้า ล, ลองหายใจเข้าแล้วกำหนดรู้ไปตามลมหายใจเข้าก็จะรู้ว่าออกมันกระทบอะไรพอหายใจเข้ามันกระทบตรงไหน หายใจออกเป็นลมกระทบตรงไหนแต่ว่าในชั้นแรกเพื่อให้ใจมันมีงานมากๆหน่อยเพราะใจนี่มันชอบมากงานชอบทำงานไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่นิ่งเราก็ต้องมอบงานในเขาทำให้มากเลยด้วยการกำหนดตามลมไปหายใจข้าวกำหนดตามไปเวลาเราหายใจข้าวเราก็กำหนดตามลงไปลมมันลงไปเป็นแนวไปกำหนดกรูปว่าลงไ ป, ไปถึงไหนไปยุดที่ไหน ความรู้สึกว่าเหมือนกับไปหยุดที่ในท้องความจริงลมมันไม่ได้ไปถึงในท้องมันไปที่ปอดอะไรนีน่แต่ว่าความกระเพื่อมของอวัยวะภายใ น, นยทำให้เรารู้สึกว่ามาหยุดอยู่ตรงนี้หยุดที่ท้องเมื่อหยุดแล้วเราหายใจออกหายใจออกก็ตามมันไปตามออกมาจนกระทั่งพ้นดูจมูกเราไปหายใจเข้าก็ตามมันไปนั่งตามดูมันอยู่ด้วยสติ สติคือการกำหนดรู้คำว่าสติหมายความว่ากำหนดรู้อยู่ในเรื่องนั้นคอยคุมไว้ในเรื่องนั้นไม่ให้ไปในเรื่องอื่นอย่างนี้ทําให้จิตเราตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเดียวเช่นตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพื่อจะให้ไม่วิ่งบุ้นต่อไปให้หยุดวิ่งแค่ทีให้หยุดอยู่ตรงนี้เราก็คุมให้มันอยู่ที่ตรงนั้นถ้าคุมไว้ได้นาน เป็นเวลาสิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงก็หมายความว่าจิตเรามีสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้นไม่ไปไหนคุมอยู่ตลอดเวลาลมหายใจก็จะสงบขึ้นการหายใจก็เบาขึ้นแต่ว่ายังหายใจอยู่แต่มันเบาไม่ไม่เหมือนคนหายใจเหนื่อยเมื่อตั้งมั่นแล้วมันก็อ่อนโยนเองอ่อนโยนเรียกว่าเชื่องนะ ือหรือว่าสุภาพสามารถที่จะนุ่มไปในทางใดก็ได้จะเอาไปใช้อะไรเอาไปคิดอะไรก็ได้ก็ไม่มีเรื่องใช้มากก็บเรื่องของใจใช้สำหรับคิดพิจารณาในเรื่องอะไรต่างๆคิดในเรื่องใดก็ให้ใจอยู่กับเรื่องนั้นพิจารณาในเรื่องใดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นมันก็อยู่กับเรื่องนั้นมันไม่ไปไหน เมื่อใจไม่ไปไหนอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสมาธิจุดหมายมันอยู่ที่สามเรื่องนี้จิตสงบจิตตั้งมั่นจิตอ่อนโยนเพื่อยอย่างนี้ทั้งนั้น